รู้ตื่นเบิกบานอย่างถึงที่สุดจนความทุกข์และก็กิเลสเนี่ยไม่อาจจะจับต้องได้พวกเราซึ่งเรียกตัวว่าเป็นชาวพุทธนะก็ต้องอพยายามเดินตามรอยพระพุทธองค์ในเรื่องนี้คือทำความตื่น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 ทำได้เดี๋ยวนี้นะเวลานี้หนะลงในอารมณ์หลงที่เป็นความเพลิดเพลินในอารมณ์ก็ได้หรือว่าหลงแบบจมหายเข้าไปในอารมณ์ก็ได้สินะ่งที่ช่วยทำให้เราหลุดจากความหลงที่ว่าเนี่ย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 อยู่ในอารมณ์และยิ่งทำาชนนั้นก็ยิ่งไม่รู้สึกตัวแต่ถ้าเกิดว่ารู้สึกตัวขึ้นมเมื่อไหร่นี่มันมันหลุดไปจากอารมณ์นั้นได้เลยนะพอมีสติปุ๊บนี่ความรู้สึกตัวเกิดขึ้นคนที่โกรธมากๆคนที่เกลียดมากๆนี่พอมีคนเตือนดีๆนี่ได้สติ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 เช่นการมาฉันทะนะก็ ค, คือความอ่าปรารถนาในรูปรสกลิ่นเสียงที่น่าพอใจผู้ง่าคือความโลภนะพอจิตมันมีความโลภแล้วเนี่ยมันอยู่เฉยไม่ได้แล้วนะมันจะเกิดการดิ้นรนแส่สายสแสวงหาตันหาก็นําไปสู่อุปาทานอุปาทานคือความยึดติดไอ้โลภากับตันหานี่ก็ตัวเดียวกัน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 ตอนนั้นคือหนังเรื่อง E ีทนะกับคารทีเรื่องนี้น่าดูทั้งนั้นเลยก็รอว่าเมื่อไหร่จะครบกำหนดศึกสักทีนะตอนนั้นกําหนดศึกสามเดือนนับวันนะเห็นพระใหม่ศึกนะแล้วก็อยากจะศึกตามเขาบ้างอยากจะไปดูหนัง E นะทกับคาร์แต่ก็สุดท้ายก็ไม่ได้ดูนะเพราะว่าบวชยาวเลย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 แต่ถ้าลืมตัวเมื่อไหร่หรือไม่รู้สึกตัวเมื่อไหร่ตัวกูัก็เข้ามาเป็นเจ้าข้าเจ้าของกายและใจเต็มที่เลยแต่อย่างที่บอกไว้ว่าตัวกูัมันไม่มีจริงนั่นมันกิจาการปรุงแต่งเมื่อไม่รู้สึกตัวเมื่อไม่มเซ็ตไม่มีสติมันก็เข้าไปในความหลงและความหลงก็ปรุงแต่งตัวกูัขึ้นมาและพอมีตัวกูัแล้วก็มีของกูัตามมาแต่ทันทีที่เรารู้สึกตัวขึ้นมานี่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 เป็นความสุขเพราะว่าเบาเพราะสบายไม่ใช่สุขเพราะว่าตื่นเต้นที่ได้เสพสิ่งที่น่าพอใจอาหารที่อร่อยเพลงที่เพราะนะสัมผัสที่น่าร่าใจนะมันไม่มันไม่ใช่อย่างนั้นมันควรลดรสชาตนะิเป็นความสุขที่เป็นความเบาความสบายความโปร่งโล่ง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 ให้กลายเป็นฐานของใจเพราะว่าถ้าไม่มีการเคลื่อนไหวนะใจมันลอยนะหลวงพ่อเทียนท่านจะสอนว่านี่ให้เวลาทำอะไรอย่าอยู่นิ่งๆนะอย่าอยู่เฉยๆเช่นอะาจาร์ขณะที่รอกินอาหารรอเพื่อนรอรถนะ้วก็เคลื่อนไหวไปสร้างอิเลียบทอาจจะเป็นการยกมือหรือถ้ายกมือไม่สะดวกเราก็คลึงนิ้วไปกระดิกนิ้วไป ขณะที่เรานั่งอยู่บนกํากลังถ่ายถ่ายอุจจาระถ่ายปัสสาวะหรือขณะที่เรารอให้โยมใส่บาตแล้วก็เอามื อ, อกระดิกนิ้วไปตามลมหายใจไปก็ด้วยอย่าอยู่เฉยๆต้องมีการเคลื่อนไหวอาศัยการเคลื่อนไหวตามธรรมชาติเช่นลมหายใจหรือว่าสร้างมันขึ้นมา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 แต่ต่อไปตอนลืมสตินะไอ้การเคลื่อนไหวไอ้ความรู้สึกที่กายเคลื่อนไหวนี่แหละมันจะไปเรียกสติกลับมานัเาเลยสังเกตได้หลายครั้งที่ใจลอยนะแต่สักพักจู่ๆมก็รู้สึกได้ว่ามือกำลังเคลื่อนไหวเพียงแค่แว บ, บเดียวเนี่ยเกิดความระลึกได้รลอว่านี่เรากำลังปฏิบัติอยู่นี่เรากำลังสร้างจังหวะอยู่หรือว่านี่เรากำลังฟังอยู่นะ เวลาเรายกมือสร้างจังหวะหรือเราคลึงนิ้วขนาดที่นั่งฟังมันก็มีประโยชน์อย่างหนึง่งก็คือว่ามันคอยเตือนเตือนสติให้กลับมาเวลามันเผลอไปสติมันจำได้แล้วนะว่าการเคลื่อนไหวนะจิตมันจำได้ว่าการเคลื่อนไหวเนี่ยของมือของเท้านะมื่อจะเป็นสร้างจังหวะหรือกระดิกนิ้วหรือว่า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 คนที่สงสัยว่าการจิสติทำยังไงก็ให้รู้ว่าเนี่ยทยํางไงก็ได้ให้ตัวหยุดให้ตัวอยู่ไหนใจอยู่นั่นอาบน้ําก็ไม่ใช่อาบแต่ตัวแต่ใจก็อยู่ด้วยนะกินข้าวมก็ไม่ใช่กินแต่ตัวแต่ใจก็อยู่ด้วยนะไม่ใช่ตัวอยู่นี่ใจอยู่นั่นอันนั้นไม่ใช่ตัวอยู่ไหนใจอยู่นั่นหลังจากนั้นมันก็จะ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 ตรงนี้แหละที่คำว่ารู้ซื่อเนี่ยมันมีความหมายรู้กายเคลื่อนไหวเห็นใจคิดนึกรู้ว่ามีเวทนาเกิดขึ้นกับกายรู้ว่ามีอารมณ์โกรธเกิด ข, ขึ้นกับใจ ก, ก็แค่รู้เฉยๆแค่รู้เท่านั้นก็พอแล้วนะไม่ต้องไปทำอะไรกับให้ความคิดนั้น อย่าไปพยายามไปกดข่มความโกรธนะเคยมีคนถามหลวงปู่ดุนนะลหลวงปู่ดุลตุโลนะลูกศิษย์รูเรื่อง แ, แรกของหลวงพ่อหลวงปู่มั่นถามว่าหลวงปู่ทายัางไงถึงจะตัดความโกรธให้ขาดหลวงปูต่ตอบว่าไม่มีใครตัดความโกรธให้ขาดได้หรอกมีแต่รู้ทันมันเมือ่อรู้ทันมันมันก็ดับไปนะไอ้รู้ทันเนี่ยคือรู้สื่อนี่ยแหละนะ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 ตื่นและนำมาซึ่งความเบิกบานอ้าวช้าที่ก็พูดกันท่านี้นะครับท่า